ด้วยประการชนีผู้มีใจไม่คับแคบก่อนทำก่อนพูดอะไรจึงควรคำานึงถึงผลดีผลเสียอันจะตกแก่ครอบครัวสังคมชาติและโลกไว้ด้วยไม่เพียงแต่คำานึงถึงตนเพียงผู้เดียวกรรมบางอย่างบิดาเป็นคนทาแต่บุตรเป็นผู้ได้รับเป็นเรื่องหน้าพิศวงมากเช่นบิดาไปตัดมือลิงเพราะลิงได้ทาสิ่งมีค่าของตนเสียหาย